ถามาในเอาใจใส่จริงจังมันฝึกจริงจังมันไม่เป็นไม่เห็นให้โอกาสที่จะปฏิบัติได้เพาะคือายของเรายังไม่มีโรคใครเยียเดเยียนหนักแน่และเรายังเป็นผู้เล็กผู้น้อยไม่ได้รับภาระหน้าที่หนักหนาอะไรวันจีนเดือนจีนไม่มีวั น, น, ว น, นที่ถี่ไปรับแทก ไปเทศสอนรับผิดชอบกับคนอื่นนี่จะดูจิตดูใจปฏิบัติอยู่ภายในของต human, ัวเมื่อปฏิบั ต, รตร było, ิรอบในตัวของตัวตัวไม่ต้านหนีตัวของตัวคนอื่นถ้าจะได้ต้านหนีเรามันต้านหีเม่ได้ถ้าหากเราปฏิบัติเป็นอาจเป็นธรรมนีตัวของตัวก่อต้านหนีตัวของตัวอยู่คนอื่นเขาก็ต้านหนีได้ ี่มันเชือมันเสีย อ, อยู่ที่ไหนจะปิดจะบังด้อย่างไรมันปิดมันบังไม่ได้โลกอันนี้ในลับความดีความชั่วนันไม่มีอะไรปิดไม่มีอะไรบังมันปิดบังก็คือเรื่องที่เลือ่องปัญหาของเราปิดบังถ้าคือไม่มีอะไรที่จะปิดบังมันเปิดโลมงอยู่ตลอด ดังนั้นกานรจะไปปฏิบัติทางหาเมตตาปฏิบัติตัวของตัวแล้วจะไปปฏิบัติที่ไหนถ้าไม่รู้เรื่องของตัวแล้วจะไปรู้ยัองอะไรเพราะเรื่องนอกมันออกไปจากตัวของตัวปกครองตัวของตัวไม่ได้จะไดปปกครองคน อ, อื่นได้อย่างไรดูแลตัวของตัวก็ยังไม่เข้าไม่ถึง แล้วอยากจะไปเห็นืัวโลกได้อย่างไรของที่นี้ที่แกนะศึกษาปฏิบัติหรือมาบวชเล่นตัวโลกเขาถือว่านักปฏิบัติกรรมฐานแต่ตัวเองเป็นอย่างไรเป็นกรมรมฐานไหมปฏิบัติไหม ถ้ามันในยจในจิตในใจแหละมันสงสัยเรื่อยไปมันยุ่งเรื่อยไปคิดว่าอยู่นี้ไม่สะดวกไปนั้นเชื่อก่อนจริงจะทํามันไปนั้นมันก็โกหกพกลมไปอีกไปนู้นก่อนผลที่สุดวกไปวนมาเป็นสังสารวัชช์เกิดตายเกิดตายอยู่นี่อ่ะต้อมีที่นี้ไปที่อื่นไปที่อื่นไม่สะดวกที่นั้นดีกว่ากลับมาอีกมาอยู่อีก เราไม่ด้อีก ท, อทีนุ่งคงยุ่กว่านี้ไา้อีกอยู่นะนี่นเรื่องพบขาในปัจจุบันยังในตายมันก็ยังหุ่นวายข้างบนส่งทางหน้าอยู่อย่างนั้นตายไปแล้วมันจะเป็นอย่างไรมันก็ส่งไปเลยทำนองเก็บจับผิดเรื่องของมันเมื่อไรมันจะเอากันจริงจังตอนกลางคืนก่ องคกลงวันเชื่ อ, อนตอนเช้ า, าก่อสายี่ก่อคนตั้งแเลยผัดเกลี่ยนกันเลี่ยมาจนตลอดปัจจุบันเลยไมมีอะไรดีให้ไมนมีอะไรเป็นเครื่องจะเป็นตัวของตัวนอกจากจะถูกยีเรศจิ้มจมูกเลื่ยไปอยู่เมื่อไรจะเห็นทุกเห้นโทษเรื่องเหล่านี้นะปฏิบัติต้องดูต้องรู้ ธรรมันในอยู่ที่อื่นจิต <c oughs> เลือดมันในอยู่ที่อื่นนักผลมันในอยู่ที่อื่น <c oughs> มันอยู่กับกายกับจิตของบุคคลพยายามดูพยายามทําพยายามฝึก วันเวลาที่มันผ่านไปจะเอากลับมาอีกไม่ได้ชีวิตของเราทีผ่านไปคนทานองเดียวกันมันเอากลับมาอีกไม่ได้จิตใจที่มันอยู่ปัจจุบันมันอยู่กับอัดกับทาอะไรมันเป็นทาง ที่ควรส น, นิี้รืเป็นทางที่ควรสันรเสฐานดูปัจจุบันของจิตถ้ามันผิดมันชั่วจิดปล่อยมันวางมันอย่าให้มันไปตั้งเอาไว้ในความชั่วความคิดแับนั้นบอกแล้วว่าสติปัญญาเป็นเหลืองสําคัญเป็นความเพียร เป็นตาตัดสำหรับเผากิเลสตัณหาสันนิษฐาปัญญามากถอยกิเลสตัณหามันอยู่ไม่ได้มันเผาไมา่ได้หมดนี่ที่กิเลสตัณ ห, า ข, า, ห, หออขาของเรายังเหลือหลออยู่กบเพราะสติปัญญาของเรายังอ่อนหรือยังไม่มีกิเลสมันจึงไม่กลัว มันจึงอยู่ได้เหมือนเสือนถ้าเราท้างป่าเอาหมดเมันอยู่ไม่ได้หรอกเสือมันอาศัยป่าถ้ามันอยู่กลางพื้นนาแล้วมันอยู่ไม่ได้เพราะภัยอันตรายมันมีมากพขมองเห็นเขาจะยิงจะฆ่ามันในป้าที่จะอยู่นี่ที่เดือดตัญหาก็อยู่ในป่ารกดีไหมกลายใน จของผู้ที่ไม่มีสติผู้ที่ไม่มีปัญญามันจึงเกิดขึ้นได้มันจึง ค, คิดเป็นไทกัดหัวใจของตัวให้ทุกข์ให้หอย่าร้อนอยู่ยเรื่อยๆพยายามหักห้ามจิตใจของตัวอย่าให้มันจะคิดชั่วมีสติมีปัญญาดูแลรักษา เรารักษาอยู่เราดูแลอยู doing, okay? ่อะไรเกิดขึ้นมันก็รู้อะไรมันตกไปมันก็รู้นี่ไหนดูน่้ยแล้วไหนรักษาแล้วแต่มันจะเกิดขึ้นมาแล้วแต่มันจะตั้งอยู่แล้วแต่มันจะตกไปจะว่าปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติแบบนั้นอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้เรื่องอะไรตั้งอยู่ก็ไม่รู้อะไรตกไปก็ไม่รู้ ควาไมไหนเอาใจใส่ควาไมไหนรักษาควาไมไหนปฏิบัติมันเป็นแบบนั้นถ้าปฏิบัติมันซาบมันเข้าใจการกระพือปฏิบัติมันอยู่ในมันจะอยู่นอกวันนั้นก่ผ่านไปเดือนนี้ก็ผ่านไปอย่างความเจนใจของจิตข อ, องใจไหนมีอะไรที่จะดีวิเศษให้ มันก็หนาตันี้ตัวเองถึงวันตายจะไปเกิดที่ไหนหนอตัวจิตบ้านไม่รู้ว่าจิตมันอยู่ที่ไหนมันก็สงสัยละจิถ้ามันอยู่กับอารมณ์ดีหรือมันอยู่กับอารมณ์ขั่วรู้จักนันก็ทราบจิตไปเกิดสองตัวแต่มันหมดเรื่องดีเรื่องชั่ว ในจิตในโลกในสงสารมันก็ชาแต่พบชาของตัวมันหมดไปในต่องแหตใครมาบอกมันถึงทวามบริสุทธิ์ของจิตของใจถึงอีสุทธิ์ที่ทำถึงความดับยิ่งเหลมีใครมาบอกพระพุทธเจ้ามันมีใครมาบอก สาวถ้ามันเป็นในจิตในใจมันทราบหนีพวกเรามันคงจะมีอะไรติดบ้างอีกมั้งคับถ้าาพวกเราทานทําแต่นั้นวุ่นวายกังวลอยู่แล้วก็ยังรู้ว่ามันวุ่นวาย้างวลเมื่อมั น, ห ม, น, นหมดความวุ่นวายกังวลหมดความจิตคล่องมันเป็นอย่างไรมันทําไมจะไม่ทราบส่งพากันที่นี้พิจารณาศึกษาปฏิบัติ พเนถผู้มีหน้าที่ปฏิบัติเมื่อเห็นอาจเห็นทาแล้วขราเล่าว่าซึ่งเขาทำมาหาชิ้นเกี่ยวกับกับการงานต่างๆเขาก็ไม่มีทางที่จะเลินจะเห็นจะรู้ได้ถ้าผู้บุกพืชปฏิบัติมึงหน้ามึงตาปฏิบัติจริงจังไม่เป็นไม่เห็นนี่ข้าเล่ว่าบ้าง ห่านบางคนก็ยังเห็นยางเป็นเพราะเขาตั้งใจปฏิบัติถึงเขาไม่เป็นนักบวชเขาก็เอาเวลาว่างจากการจ่ายงานเข้ามาปฏิบัติมีเรามีเวลาอยู่ตลอดจตื่นมาเต็มกต่ถังหลับไม่มีเรื่องอะไรที่จะไปยุ่งเกี่ยวนี่จะจบปฏิบัติจิตใจของตัวรักษาอารมณ์สัญญารักษากายวาจารักษาจิต แต่ไม่เป็นเน็ตไปให้เพราะเหตุใดเพราะไม่ได้เอาใจใส่เพราะไม่ไดรักษาเพียงแต่าเป็นพระเป็นนักปฏิบัติแต่ไม่ได้ปฏิบัติอะไรมันจึงไม่เป็นไปให้ถ้าหน้าละอายสิ่งเขายกใหกเ้เป็นพระเป็นกรรมฐานเป็นนักปฏิบัติเกต่ตัวของเรา ในมีอะไรใ น, ใในชืนอน่อที่เขาให้มีแต่มาบวชกินบวชนอนบวชสะสมกิเลสมักผลความดีอะไรในมีในจิต ใ, ใ, ในใจ น, นัานา่นก็หนาเวทนาหนาสงสารหนาตะมนินินทาตัวเองพยายามที่นี่พี่แจนาศึกษาฝึก ที่ปลูกใจของตัวให้มันตื่นอย่าให้มันหลับมันหลงเกินไปมันจะได้มีทางแก้ไข ค, ความเชื่อต่างๆให้โตกออกไปในอย่างนั้นก็ไม่มีวันที่จะเห็นจะเย็นจะสงบนี่ือการปฏิบัติต้องดูภายในต้องใช้สติปัญญาต้องตั้งหน้าทา มันจิงจะเเจนใจเหินจะรู้ทำแบบที่เคยเจนมามันไม่เจนให้ขอกพึ่งสาวว่าเราทำยังไม่ถึงท่านควรจะเจนใจเห็นต้องเคยเยิกศรัทธาคือความเชื่อในาศาสนาให้นักแน่นเข้าไปบังคับ กายใจของตัวไปทำมากเข้าไปในอย่างนั้นก็จะไม่มีวันนะกานอยู่รวมกันมันก็เอาแน่นอนไม่ได้เราไม่จากท่านท่านก็จะจากเราจากเต็มันก็จากทรายกันอยู่ตอนที่ยังอยู่ด้วยกันมีอะไรสงสัยขัดข้องในจิตในใจอัดเป็นไปในทางอาจทางธรรม ก็ศึกษากันได้พูด ก, กันได้อยู่นั้นไหยได้ในดีเลยรู้เม่เห็นอะไรก็เพราะเราไม่ตั้งใจทําไปอยู่ที่ไหนมันจะเป็นเองของมันอาหารมันเป็นเขือเนเต็มจานอยู่ไม่กินมันก็ไม่อิม่มวันคืนมันก็แขนนี้แหละ จะเกิดไปอีกกี่พบกี่ชาติของห้องเก่าเนี่ยถ้าเราไม่ทำของตัวของเรานี่แนะจะเป็นควรทำมันจึงจะเป็นไปถ้าเราไม่ทำก็คงเป็นคงวาอย่างนี้หรืจะถอยหลังลงคองคือชั่วเลื่อยไปตกเรือไปเสียเรือไปเกิด <c oughs> เป็นมนุษย์ไม่ได้หรเกิดเป็นห ม, เนมูเป็นหมาป็นกลายเป็นควายไปต่เกิดที่ไหนก็ช่างมันหรือจะเอาแบบนั้น พยายามสอนใจพยายามฝึกใจอย่างนีถอยหลังการปฏิบัติถอยหลังไม่ถูกส่องสิสเราหลงมันกไมนี่อันอื่นมีแต่อารมณ์ทั้งยาของเก่าเนี่ยปูุกเชียงกินรสสัมผัสอารมณ์สิ่งที่ไปสอกอตาหูจะงกลมูกใจใจของเก่าอันจะมีอะไรมาก ไถ่ยนเข้ามาจิตจะแกะไขอผูดไปมามันก็มาไถ่ยนเข้ามาเลาไม่มีอะไรตปมาหลงก็หลงตัวรู้ก็มารู้ตัวเนี่ยจะคนหลงจิตจะรู้เตือนคือมันรู้แหละทั้งใจแตมันหลงแต่ตอนมันหลงอยู่นั้นมันไม่รู้มันจริงทำจริงคิดจริงไป มันทราบ่หลงมันรู้แหละนั้นยังบาคนทราบแต่หลับคือมันตื่นแล้วมันถึงจะทราบเพามันหลับเวลามันหลับอยู่นั้นนั่นเลทราบเพามันหลับจิตใจของเราก็ทำนองเดียวกันการปฏิบัติพยายามหักห้ามความเสื่อเสียต่างๆอย่าให้มันลื่นไหลเข้ามา จิตมันมีอยู่แล้วก็ทำลายมันไปศรัทธาการต่างจิตต่างใจอย่าทำแผดความเพียรทางเดชยงกรมก็ดีภาวนาก็ดีทั้งรวมรักษาจิตใจก็ดีให้ต่างใจเอาจริงเอาจริงมันจึงจะเป็นได้มันมีที่อื่นธรรมะของภูติจ่ามันมีเพียงแขี้ คือหลงก็อยู่นี้คือก็อยู่นี้คือเกลียดก็อยู่นี้คือตาก็อยู่นี้คือสั่นก็อยู่นี้คือสงบก็อยู่นี้คือติดโลกคือละโลกมันก็อยู่นี้อีกเหมือนกันพยายามดูพยายามทำพยายามฝึกถ้ามันพอของมันแล้วมันถูกกันมาอยู่มันจะสอย เหมือนกันกับต้นไม้เราก็ดำรงรักษาใหา้สวยใหนน้ำขนาดไหนใหามันสุกต็มที่ไม่ห้อยู่ต่างอยมันหลุดมันห่วงอมาเดของต้นไม้เป็นอย่างนั้นนี่จิตใจทังพวกเราท่นทานจทำหน้นเดีวกันถ้าสึกถ้าปฏิบัติถึงททขีดของมันมันบื่มันไห น, นยินดี ในการเกิดการตายอีกแต่จริงเหรอเกิดนิพพานคือควานเบื่หนายในการเกิดการตายในการหลุ่มการหลงการเผิดการเซินมันจะปล่อยพวงมันละขวกมันมันเลยอยู่มันเป็นของมันเองอัตโนมัตถึงเวลามัน มันเป็นไปได้แต <une to> <him> ่ท <une to> <that> ี <_ hur st them> ่ตัยามันอยากให้มันิ้ิจานาอยากให้มันลืมมันหลอยากให้มันเถื่อนมเถืไปต่างเหยื่อใจมัหลงต่างๆบั้งคับทลายมันก็ไม่ตาถ้ามันถึงขั้นเข่าถึงอาจถึงทำเข้ามันี่เจอแกการจัดขับไล่อะไรมันโง่ใสมันจะจี้ตรงนั้นเกิดความรู้ขึ้นมาในสิ่งอันนั้น ใจแท้จริงเรื่องนั้นวางไปมีอะไรอีกคือมันยังเป็นเชื่อของใจคือยังสงสัยมันกับกาเหนดอันนั้นมันกับที่ใจมาอันนั้นเรื่องหนอกไรออกมันไปมันไม่ไปมันจะเข้ามาเรื่องภายในคือมันยังมีอยู่สงสัยอยู่นี่เราเหน็ดแบบนั้นพยายาม แตละมันธรรมดาทลายมันก็กระจายออกไปเหนั้นเจ็บปูเส็จกระดองเจ็บตัวนั้นตัวนี้ตายออกไปแล้วแล้วยังมีทางที่จะจับมันไม่เรียมกันได้เพราะไม่มีปัญญาตัวนั้นตายออกไปขอดทุกตายตัวนี้ตายกไปทุกตายทิ้งเขามาอยู่ในกระดองมันตายทุกตัวแล้วมันจะตาได้ที่ไหนล่ะนี่เพิ่ เชื่อความเสียของใจคือมันจึงมันจึงออกไปสิ่งใดที่มันไม่ดีกับทุกปีมันเห็นไหมทราบแล่การใจอย่างนั้นมันทันจิตทัาใจให้เชื่อให้เสียมันนี่เด็ดทางดีทางดีถต่มันฝ่ามันในไปคือเราตีมันข่ามันี่มันในทันแบบ แต่คุเถลายมันก็ยิงไปกันใหญ่วัดพิจารณากันแบดบริกรรมไปไม่ได้ถ้าขี่นักขี่กันแบบมันอยู่ก็เหมือนตั้กับดึงเงินเต้าลงในน้ำเราดึงอย่านั้นก็มันก็ยังไม่พผล่พอวางมือก็โผล่ขึ้นมา อย่ายกิเลสตัญหาที่ข่มเอาไว้ก็ทธรรมองนั้นมันมีปัญญาที่จะทำมันเจมได้สงบได้ดึงังได้แต่มีปัญญายัดสายยัดดินทข้าใส่เต็มแล้วเดินลงไปปุม๊มันจะไปข่มมั้ย <c oughs> มันเจอมลงไปแค่มันเองนี่ที่นี้ที่จะนาพอกับธรนอ ง, งนเดียวกันจิตใจแต่อยากจะให้มันไปสงบโดยดึงเอาไว้ข่มเอาไว้ ที่เย็นนะมันพอบริกรรมให้มันพอมันจะลงเพรามันไปเองการปฏิบัติจิตใจของทรรมองเดียวกันกับเรื่องนอกนอกพยายามทําเวลาเรื่องต่างๆนานาคนนับวันจะยุ่งไปนะก็พรรษา้เรื่องนั้นเรื่องนี้มันนี้ เสถีรเสถเป็นมาทุกปีอ่ะงานไม่เบาเลยวัดมันมีซึ่งถึงแม่ด <me> ึงเกี่ยวมาุกปลกคนหนอกคน้าวมันอยากพาท่องเกี่ยวมะเกี่ยวของมันจะใปได้ใา่ไห่สอนรับแผลอาหารทุกกะเยอะๆระยะนี้ไม่นี้นี่จะทหนักี่ ดปฏิบัติมันจึงเป็นโอกาสอันเหมาะที่สุดที่จะทำจะเชื่อเด็กของกีเลสไม่มีโอกาสเป็ร่างหรือเปล่าพราหนอพรรษาหรือ่าอยู่ในตาในบ้านมันต้นหนีด้วยไปท่านที่จะปฏิบัติใจให้จุกให้สบายนันไม่ยอม เพราะมันเกยอยู่ใส่อำนาจท้องอัดท้อธรรมมันเคยอยู่เหนืออาดเหนือธรรมมาแล้วมันเป็นแบบนั้นแต่เราเชื่ออย่างของมันมันก็จะเล้ยงอยู่ด้วยไจการปฏิบัติมันคืนมนึอ้ธรรมให้เรารลัทามันไอ้ธรรให้เราถานขี่มันไอ้ธรรให้เรา เราจะทำเอาจะกำหนดเอาจะพิจเจนาเอาเราจะเอาแบบไหนจะทำแบบไหนเกี่ยความผ่อนสายเกี่ยวความสงบของจิตของใจแต่ละท่านแต่ละคนก็เป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่เด็กพอที่จะทราบพอที่จะสอนเกวัองตัวได้ดังนั้นจงนำไปทิจเจนาจุดจิตุใจท้องเตให้เเดยจะจิตปัญญา ทางหน้าปฏิบัติความสุขความเจริญี่ริปตา์ธนามันก็จะเกิดจะเห็นจะากเจริญใรู้ในตัวของตัวการทีิบายธรรมใเห็น ว, ว่าเพอาต้อควรสิเรื่องววัน